Thank you.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 ตรงที่ท้องท่านแล้วก็ถามท่านว่าปวดไหมท่าบอกปวดร้อยเปอร์เซนเลยพยาบาลสงสัยก็เลยถามว่าปวดแล้วทำไมไม่ร้องท่านก็ตอบ่ปวดแล้วจะร้องทำไมให้ขาดทุนนะหรือผู้ยนันก็คือว่าปวดแล้วจะร้องทำไมให้ให้ซ้ำเติมตัวเองปวดกายเนี่ยมันก็มันก็พอแรงอยู่แล้วนะ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 ทุกขเวทนานี้ถ้ายึดมันนะมันก็เป็นผู้ทุกข์ก็ปวดนะกูปวดแต่ถ้าผักสายมันท่านที่ไม่ชอบมันแต่ก็เผลอหลุดพลัดเข้าไปนะในทุกขเวทนานั้นไม่ว่าตามเอาไม่ว่ายึดหรือผักสยเนี่ยมันก็หลงเหมือนกันนะมันไม่ใช่รู้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 ทักถามว่าทําไมหน้าตาท่านแจ่มใสมแล้วกุนบิดาก็เล่าว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเยี่ยมลําโปรดแล้วก็พูดประโยชนนี้แหละแต่แล้วนักกุนบิดาก็ถามผู้เจ้าต่อไปว่าแล้วถามพระไศยบุตรว่ากายป่วยและใจไม่ป่วยได้อย่างไรพระไศยบุตรก็ขยายความหรืออธิบายว่าเมื่อใดไม่สําคัญบรนหมายว่ารูปเป็นของเราหรือกายเป็นของเรา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 ที่เราว่าการแต่ดับของภพชาติอันเนี้ยที่หลวงพ่อพุทธทาสธมบตตายก่อนตายเนี่ยตายก่อนตายหมายความว่าตายตัวแรกคือว่าตัวตนมันตายหรือว่าความยึดมันสําคัญหมายว่าวาตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมหัวใจหยุดเต้ น, นท่านก็หลวงอาจารย์พุทธทาสก็สอนว่าให้นะให้ฝึกไว้นะตายก่อนตายนี่แหละ